แล้วก็นำไปใช้นำไปทำนำไปประกอบเอาใส่คำพูดไปทำให้มันเกิดที่กายที่กิจใจของเราในหนพวกเราก็อยู่ในมาอยู่ในภ้ากาสภถือบวชภาวะบวชคือไปสู่ความดีอันหลังให้ความชั่ว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 อะไรจึงจะเป็นเหมือนหลวงพอ่อเหมือนอาจารย์ท่านสอนท่านพูดเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่รอนะปฏิบัติทำนะเปนการเข้าถึงทุกเรื่องทุกราวมันหลงเข้าถึงความหลงเปี่ยนความหลงเป็นความรู้อันละตัวปฏิบัติความรู้เสกตัวไม่ต้องรอยกมือขึ้นรู้ทันทีอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้เอาความรู้ไปเกี่ยวข้อง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 มันเป็นน่ารอบไม่เผลอความหลงที่ใดหรอตรงกันข้ามกับความรู้สึกตัวทันทหัดให้เป็นนิสยัยหัดให้เคยคินอย่าให้ความหลงสร้างความหลงนี่คือนักปฏิบัติอย่าให้ความทุกข์สร้างความทุกข์นี่คือหนักปฏิบัติอย่าให้ความโกรธสร้างความโกรธสร้างความรู้มาอะไรเปลี่ยนเป็นรู้ทั้งหมด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 เที่ยงก็ไม่แม่ชีหาบข้าวไปส่งตอนเย็นก็หาบตามปะานะไปส่งเออก็ททำงานอยู่ท้งนั้นเวลาทำงานเวลาทาจีวรการจีวรงานมันมากงา น, น, นได้ไม่เป็นไรเพราะนั้ น, นี่การที่อยู่ของเราสนับสนุนให้เกิดสติสมชัญญาให้เกิดสติสมชัญญาอย่าเป็นปริพุธของบนญาติปริพุธก็ไม่ดีนะ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 พุ่งซานไม่ปาริพ์เรื่องใดรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ตั้งใจไม่ใช่ไปคิดหาคำตอบจากความคิด่ดางอย่างความคิดมันทำไม่สำเร็จต้องลงมือทำเห็นเราปฏิบัติทำคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เสียเวลาอย่าไปคิดแบบนั้นประกอบทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งโต้นตรงนี้รู้สึกตัว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 ไม่ใช่ไปห้ามให้มันหลงทําไมจึงจะไม่หลงทําไมจึงจะไม่โกรธทาไมจึงจะไม่ทุกข์ทำวิธีใดจึงจะไม่ทุกข์ทำยังเก่งไม่มีคําถามหรอกคําถามแบบนี้ไม่ต้องสําหรับชาวพุทธหรอกอ่เมื่อการกระทำไหนะหรือเวลาเราปฏิบัติคําว่าทําไมทําไมก็ไม่เมื่อทไมเราจึงทําไมได้ทําไมคนนั้นจึงทำได้ไม่ม เออเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ่ะผมรู้สึกตัวเนะี่ยตัดภาษาที่ใช่ที่ฟุ่มเฟื่อยฟุ่มเฟ่อยฟุ่มเ ฟ, อ ฟ, มเฟือยออกได้เยอะแย ะ, ยะอ่ะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปทาไมเราจึงหลงยอมพระพุทธเจ้าตัดชะลูนเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ ย, ยทุกสมุทัยในโลดมักสี่อย่างสี่อย่างนี่รวมลงมีสองอย่างคือเหตุกับผลเจ้ที่เหตุ